ส, สัมผัสสยองเด็กสาวที่สะพานลอยเรื่องต่อไป น, นี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อครั้งสมัยที่เขายังเป็นเด็กได้เล่าว่าผมเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงมาด้วยเงินและเป็นลูกชายคนเดียวภายในบ้าน ผมมีพี่สาวอยู่สามคนแต่ก็รู้สึกว่าทำไมผมถึงถูกเลี้ยงมาเหมือนลูกผู้หญิงมากตั้งแต่เรื่องการจัดห้องนอนก็เป็นสีชมพูแถมตุ๊กตาส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของผู้หญิงอีกเลยมีความเหมือนเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทุกอย่างที่ผู้หญิงเล่นผมเล่นอะไรที่ผู้ชายเล่นผมไม่เล่นแล้วก็กลัวอะไรไปเรื่อย อย่างที่เด็กผู้ชายคนอื่นเขาไม่กลัวกันเห็นหมดก็ยังกลัวเลยแต่ความที่ผมถูกเลี้ยงมาแบบนี้เลยทำให้ผมกลายเป็นคนที่มีจิตอ่อนกว่าผู้ชายอะไรนิดๆหน่อยๆก็ตกใจไปหมดและสิ่งที่กลัวมากก็คือผีกับความมืดเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ผมก็อยู่กับความกลัวมาโดยตลอด จนโตมาเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองมันทำให้ผมไม่สามารถจะลืมมันได้จนถึงทุกวันนี้ช่วงนั้นสมัยที่ผมเรียนอยู่มัธยมตน้นโรงเรียนของผมจะมีเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนและเลิกสองทุ่มกว่าๆพอเลิกเรียน ผมกับเพื่อนก็จะมายืนรอรถโดยสารเพื่อที่จะกลับบ้านบ้านของผมอยู่ห่างจากบ้านเพื่อนประมาณ500เมตรซึ่งเวลากลับรถโดยสารก็จะถึงหน้าบ้านของเพื่อนก่อนคืนนั้นผมกับเพื่อนก็ยืนรอรถกว่ารถจะมาก็ปาไปสามทุ่มแล้วพอขึ้นไปบนรถก็เห็นว่ามีเพียงผมกับเพื่อนแค่สองคน แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะคิดว่ามันดึกแล้วคงไม่มีใครมาขึ้นรถหรอกพวกเรานั่งรถไปจนถึงปากซอยบ้านเพื่อนของผมแล้วก็บอกลากันเพื่อนผมลงจากรถไปเหลือเพียงผมคนเดียวที่อยู่บนรถขณะที่รถออกตัวมาได้สักครู่หนึ่งผมตัดสินใจว่าจะลงตรงนี้เลยดีกว่าก็เลยตะโกนบอกคนขับรถไปว่า พี่พี่ผมขอลงตรงนี้ได้ไหมแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆมาจากคนขับรถสักพักรถก็หยุดผมคิดในใจว่าพี่แกก็คงจะได้ยินผมอยู่พอผมลงจากรถไปก็หันไปมองตรงที่นั่งคนขับแต่ผมกลับเห็นเพียงแค่มือที่จับพวงมาลัยเท่านั้นตอนนั้นมันดึกแล้วก็คิดว่า ตัวเองคงจะตาฝาดไปเองแต่สิ่งที่ผมกําลังจะเห็นต่อไปนี้มันทำให้ผมต้องจดจำไปตลอดชีวิตก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเด็กมอต้นของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งมาผูกคอตายที่สะพาน ล, ลอยหน้ามูบ้านของผมหลังจากที่มีข่าวของเด็กคนนั้นมาผูกคอตาย ก็ทําให้ชาวบ้านต่างพากันกลัวไม่กล้าผ่านบริเวณนั้นแม้กระทั่งตอนกลางวันได้มีคนบอกว่าเด็กคนนั้นได้เอาเชือกมัดกับเหล็กที่อยู่บนสะพานลอยคล้องคอตัวเองจากนั้นก็ทิ้งตัวลงมาจากสะพานแล้วเสียชีวิตในทันทีตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนซึ่งจะไม่มีรถวิ่งผ่านไปมาเลยสักคัน ทำให้ไม่มีคนเห็นศพของเด็กคนนั้นเช้ามาก็มีคนที่ต้องเดินทางไปตลาดเพื่อทำงานและค้าขายเมื่อพวกเขาผ่านมาก็ได้เห็นศพนั้นมันดูคล้ายกับลูกมะม่วงที่ห้อยอยู่บนต้นไม้ศพนั้นมีเลือดไหลออกจากปากหูและดวงตามันไหลออกมาไหลห ย, ยดลงบนพื้นถนนด้านล่าง ภาพที่เห็นนั้นมันน่าสยดสยองมากกลับมาตอนที่ผมลงจากรถสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นคือภาพที่มีคนในหมู่บ้านได้ถ่ายศพนั้นเอาไว้แล้วเอามาให้คนอื่นๆดูรวมทั้งผมด้วยภาพนั้นมันยังติดตาผมอยู่เลยแต่ที่แยก่กว่านั้นคือตรงจุดที่รถจอดนั้น มันคือด้านหลังของสะพานลอยนั่นเองผมตั้งจิตคิดว่าถ้าผมเดินไปขอให้ไม่ขิดไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเพราะผมเป็นคนที่กลัวความมืดกับผีอยู่แล้วเมื่อมองดูนาฬิกาตอนนั้นก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึง่งซึ่งเป็นเวลาที่จะไม่มีรถวิ่งแล้วผมพยายามควบคุมสติแล้วเดินหน้าต่อไป พอเดินเลยสะพานมาได้ระยะหนึ่งซึ่งมันก็ไกลพอสมควรตอนนั้นไม่รู้อะไรดนใจให้ผมหันกลับไปมองที่สะพานนั้นเมื่อหันหน้าไปผมก็เห็นสะพานแต่สิ่งที่ผมเห็นมากกว่าสะพานนั้นก็คือเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนนั่งคุกเข่าอยู่บนสะพานลอยเธอหันหลังให้ผมอยู่ต่างคนต่างหันหลังให้กัน ผมแปลกใจว่าใครกันไปอยู่บนสะพาน ด, ดึกดื่เดินเดินแบบนี้ผมจึงหันกลับไปยังสะพานทั้งตัวแล้วเด็กคนนั้นก็ค่อยๆหันมายิ้มให้กับผมผมเห็นแค่เพียงรอยยิ้มของเธอเท่านั้นเพราะเส้นผมของเธอยาวลงมาถึงจมูกปิดใบหน้าเอาไว้เธอกำลังค่อยๆลุกขึ้น ผมเช้ากับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าตัวแข็งยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกเพราะมีความรู้สึกว่าเธอกำลังจะลุกและตามผมมาสักพักพอตั้งสติได้ผมก็รีบวิ่งแบบไม่คิดชีวิตหมาที่อยู่ริมถนนก็เหาสนั่นวันไหวไปหมดผมวิ่งไปจนถึงหน้าหมู่บ้านเหงื่อเปียกโชกไปทั้งตัว เมื่อไปถึงก็เห็นแม่ที่กำลังมาถามรอปรพอว่าเห็นผมกลับมาหรือยังผมจึงเรียกแม่แล้วเดินเข้าไปหาทั้งน้ำตาเมื่อแม่เห็นผมร้องไห้ก็ถามว่าเป็นอะไรมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมต้องวิ่งจนเปียกโชกขนาดนี้ทำไมไม่ให้แม่ไปรับแต่สิ่งที่ผมตอบแม่กลับไปคือแม่ หนูกลัวหนูกลัวแม่เลยกอดผมและบอกว่าแม่ขอโทษแต่แท้ที่จริงแล้วผมไม่ได้โกรธแม่เลยแต่ผมกลัวผีหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เลยไม่กล้าที่จะไปไหนคนเดียวในตอนกลางคืนอีกเลยแต่เดี๋ยวก่อนเหตุการณ์ที่ผมได้เจอเรื่องผีผี มันยังไม่จบเพียงเท่านี้มันยังมีเหตุการณ์ตอนที่ผมโตขึ้นมาอีกเจอดีที่ขอนแก่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนผมอยู่ในช่วงที่กำลังจะขึ้นม .6 ตอนนั้นได้มีเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ทำให้ผมต้องมีการย้ายโรงเรียนมาอยู่ต่างจังหวัดผมเริ่มโตแล้วและก็ชอบเที่ยวเอามากๆวันหนึ่งผมกับเพื่อนใหม่ที่เรียนด้วยกันก็นัดกันไปติวที่ขอนแก่นเพราะตอนนั้นคิดว่าถ้าผมตั้งใจเรียนผมจะเข้ามาหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ซึ่งผมก็ไปติวที่ขอนแก่นเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยผมได้ไปเช่าหออยู่กับเพื่อนหลายคน ทั้งติวทั้งเล่นทั้งเที่ยวเฮฮาตามประสาวัยรุ่นปกติแล้วผมจะเป็นคนสายตาสั้นมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ผมติวเสร็จก็กลับหอผมรู้สึกปวดตาก็เลยถอดแว่นหน o แล้ววางไว้พอจะหยิบแว่นมาใช้อีกทีก็หาไม่เจอแล้วคืนนั้นกลุ่มเพื่อนของผมตั้งใจว่าจะไปเที่ยวผับกัน แต่ผมอยากจะนอนอยู่ห้องก็เลยอยากจะเอารถไว้เพื่อเอาไปกินโน่นกินนี่กลางดึกเลยอาสาไปส่งเพื่อนๆกลุ่มนั้นเองพอรถมีอยู่คันเดียวพวกเรานั่งอัดซ้อนสี่ไปภาพนี้มันอยู่หลังมอซึ่งตทอขี้ผ่านสถานที่ที่มันเคยมีประวัติมาก่อนและเคยได้ยินว่ามีประวัติเยอะมาก แต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะง่วงนอนมากพอขี่ไปถึงทีส่งเพื่อนเสร็จผมก็บอกกับเพื่อนว่ากลับเองนะแล้วผมก็พยายามขี่รถกลับหอเพราะไม่มีแว่นตาทั้งยังไม่มีไฟข้างทางอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนขี่มาส่งเพื่อนผมจะเป็นคนขี่เองก็ตามแต่ตอนนั้นก็มีเพื่อนๆคอยบอกทางอยู่ ส่วนตอนนี้ผมกลับมาคนเดียวไม่มีใครบอกทางให้ผมแล้วผมขี่มาจนถึงตึกเก้าหลังที่มันเคยมีประวัติเล่าต่อๆกันมาแต่ตอนนั้นผมมองไม่เห็นหรอกว่ามันคือตึกอะไรแล้วข้างทางมันก็มีที่เหมือนให้คนเอาไว้นั่งรอรถเมฟังตรงข้ามก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตอนนั้นผมเห็นน้องคนหนึ่ง ยืนกมน้มหน้าหันข้างให้ผมอยู่เลยจอดรอคิดว่าน้องเขาคงจะข้ามถนนแน่ๆ แ, แต่เมื่อผมจอดน้องคนนั้นกลับไม่เดินไปไหนเลยด้วยความง่วงและอยากจะรีบๆกลับหอผมเริ่มโมโหเลยพูดไปว่าจะเดินก็รีบๆไปรอนานแล้วเนี่ยแต่น้องคนนั้นก็ยังนิ่งเฉยผมเลยตัดสินใจ ที่จะขี่รถต่อไปทันใดนั้นเองน้องคนนั้นก็โค้งตัวลงทำท่าเหมือนกําลังจะเดินแต่แขนและขาของเขามันยาวและตึงผิดปกติเหมือนกับท่าโก้งโค้งแล้วเขาก็หันหน้ามาวิ่งมาด้วยท่าทางนั้นมาชนกับล้อหน้ารถผมแบบเต็มๆทำให้รถผมลม้มลงแล้วกุญแจรถก็หายไป พร้อมกับเขาคนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ทันได้คิดอะไรด้วยที่ผมสายตาสั้นก็เลยคลาหากุญแจบนพื้นถนนเวลาผ่านไปประมาณสองนาทีได้ก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถผ่านมาเลยจอดถามผมว่าเป็นอะไรผมก็เลยบอกว่าไม่รู้อะไรตัดหน้ารถแล้วตอนนี้กุญแจรถก็หายไปไหนไม่รู้ พี่เขาก็เลยเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์หาให้แล้วสิ่งที่พวกเราเห็นนั่นก็คือกุญแจมันเข้าไปอยู่ในแก้วน้ำปั่นที่ปิดฝาอยู่แล้วมีหลอดปักอยู่ด้วยพวกเราสองคนถึงกับอึ้งไปพักหนึ่งแล้วผมก็เปิดฝาเพื่อเอากุญแจนั้นออกมาจากแก้วใบนั้นและที่น่าแปลกใจอีกนั่นก็คือเวลาที่เราจะดับเครื่องรถ เราต้องบิดกุญแจเพื่อดับเครื่องก่อนถึงจะดึงกุญแจออกได้แต่นี่เครื่องรถดับไปแล้วรูกุญแจมันก็ไม่ได้ไถไปไหนเลยแถมกุญแจยังไปอยู่ในแก้วที่ปิดฝาเอาไว้อีกตอนนั้นผมกลัวมากไม่รู้ว่ากำลังเจอกับอะไรก็เลยให้พี่คนที่เข้ามาช่วยขี่รถไปเป็นเพื่อนขณะที่ขี่รถอยู่นั้น พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่าพี่ก็เคยเจอประมาณนี้เหมือนกันเลยน้องตรงเดียวกันนั้นเลยแกเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่พี่เขากําลังจะกลับบ้านเขาก็ขี่รถมาตามปกติแล้วก็มาเห็นน้องคนหนึ่งยืนกลมหน้าหันข้างอยู่ทําท่าเหมือนกับกําลังจะข้ามถนนแต่ก็ไม่ข้ามแล้วก็วิ่งมาชนรถพี่เขา แต่พี่เขาไม่ล้มแล้วขี่ต่อไปพอผมได้ฟังก็ขนลุกเมื่อผมกลับมาถึงหอก็คิดว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่ หัดสิยง